คนไม่มีสีนไม่มีเครดิตพอไม่มีเครดิตนะไม่ได้รับความเชื่อถือนะโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงอนะไรนี่ยากฉะนั้นเราต้องมีเจตนานะงดเว้นการทาผิดทาบาปทางกายทางวาจานะต้องเจตนา ง, งดเว้นตั้งใจไว้เลยตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านะตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทำผิดสีน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 ปฏานติบาตทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตวนะ์ข้อ2ลักทรัพย์เขาช่อโกงเขาข้อสประพฤติผิดในกรรมเนสะสัมมาวาจาข้อ4นะสัมมากรรมันตะข้อ1 2 3สสามสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตของเราต้องเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์นะจนไม่เป็นไรความจนไม่น่ารังเกียจความโกงน่ารังเกียจ